แสดงหมวด4แห่งยานความรู้ที่2ข้อ408หน้า262บุคคลย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออกอย่างไรปีติเป็นจะไหนคือ เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นปิติและปราโมทคือความเบิกบานความบันเทิงความหันษาความร่าเริงแห่งจิตความปลื้มจิตความดีใจความพอใจเมื่อรู้ ความทจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกยาวปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้นด้วยสามารถลมหายใจออกสั้น ด้วยสามารถความเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยสามารถความเป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออก ปิติและปราโมทย่อมเกิดขึ้นปีติและปราโมทคือความเบิกบานความบันเทิงความหันษาความร่าเริงแห่งจิตความปลื้มจิตความดีใจความพอใจนี้ชื่อว่าปีติปีตินั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถ ลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นปีตินั้นย่อมปรากฏด้ว ย, ยสตินั้นด้วยหยานนั้นเมื่อรู้ความทิจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นปีตินั้นย bon ่อมปรากฏด้วยสตินั้น <sweetness> ด้วยหยานนั้นเมื่อรู้ความทิจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าสั้น ด้วยสามารถลมหายใจออกสั้นด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยสามารถความเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถ ความเป็นผู้รับกายสังขารหายใจออกสติย่อมตั้งมัน่นปีติย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเมื่อคำนึงถึงปีตินั้นย่อมปรากฏเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธา เมื่อประคองความเพียรเมื่อเข้าไปตั้งสติไว้เมื่อจิตตั้งมัน่นเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เมื่อละทำที่ควรละเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญ เมื่อทำให้แจ้งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งปีตินั้นย่ำปรากฏปีตินั้นย่ำปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปาานัสนาญาณเวทนาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวละเลึกด้วยบุคคล พิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคําว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างไรพิจารณาโดยความไม่เที่ยง วิจรารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้คําว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสชื่อว่าภาวนาด้วยอัจว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศีลวิสุทธิด้วยอัจว่ารู้แจ้งปีติสํารวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งปีติหายใจเข้าหายใจออกบุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินสรียทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุ น, นั้นท่านยึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ409หน้า264บุคคลย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุข หายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออกอย่างไรคำว่าสุขได้แก่สุขสองอย่างคือกายกิกสุข1เจตสิกสุขหนึ่งกายกิกสุขเป็นจะไหนคือความสำราญทางกายความสุขที่ได้เสวยทางกาย สุขเวทนาซึ่งเป็นความสำรานเกิดแก่กายสัมผัสนี้ชื่อว่ากายยิกงสุขเจตสิกสุขเป็นจะไหนคือความสุขทางจิตความสุขที่ได้เสวยความสำราญเกิดแต่เจโตสัมผัสสุขเวทนาเป็นความสำราญเกิดแต่เจโตสัมผัสนี่ชื่อว่าเจตสิกสุขสุขเหล่านั้นย่อปรากฏอย่างไรคือเมื่อรู้ ความดจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมัน่นสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นเมื่อรู้ความวุจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้น เมื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏสุขเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัจนายานเวทนาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วย บุคคลพิจณาเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นเวทานาในเวทนาทั้งหลายคำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นเวทนาอย่างไรพิจารณาโดยความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้ คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อว่าภาวนาด้วยอดว่าเป็นที่ช่องเสพชื่อว่าศิลวิสุทธิด้วยอดว่ารู้แจ้งสุขสํารวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าหายใจออก บุคคลเมื่อรู้ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าและแทงตลอดทำให้เป็นประโยชน์คือความสงบข้อ410หน้า265บุคคลย่อมสำเนียกว่าเราจาักรู้แจ้งซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจาักรู้แจ้ง ่งจิตตสังขารหายใจออกอย่างไรจิตตสังขารเป็นชไหนคือสัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นเจดสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตะสังขารสัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจออกยาวเป็นเจดสิกทมเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตสังขาร สัญญาและเวทนาด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจเข้าสัญญาและเวทนาด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งสุขหายใจออกเป็นเจตสิกทาเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตาสังขารนี้ชื่อว่าจิตาสังขารจิตาสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างไรคือ เมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมัน่นจิตตสังขาเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยหยานนั้นเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามาร ถ, ถลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมัน่นจิตตสังขาเหล่านั้นย่อมปรากฏด้วยสตินั้นด้วยอยา น, นนั้นเมื่อทาให้แจ้ง ซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏจิตตสังขารเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาด้วยสามารถเป็นพระรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัายานเวทนาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคล วิจนาเวทนานั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านยึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือวิจนาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคำว่าพิจารณาความว่าพิจนาเห็นเวทนานั้นอย่างไรพิจนาโดยความไม่เที่ยงพิจนาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้ คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่ชื่อภาวนาด้วยอาจว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศิลวิสุทธิ์ด้วยอาจว่ารู้แจ้งจิตตาสังขารสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งจิตตาสังขารหายใจเข้าหายใจออก บุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ411หน้า266บุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจาักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจาักรระงับจิตตสังขารหายใจออก อย่างไรจิตตสังขารเป็นชไหนคือสัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นเจดสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตสังขารบุคคลเมื่อระงับคือดับสงบจิตตสังขารเหล่านั้นชื่อว่าย่อมศึกษาสัญญาและเวทนาด้วยสามารถลมหายใจออกยาวเป็นเจดสิก ทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตสังขารบุคคลเมื่อรังพงบคือดับสงบจิตตสังขารเหล่านั้นชื่อว่าย่อมศึกษาสัญญาและเวทานาด้วยสามารถความเป็นผู้รู้จรแจ้งจิตสังขารหายใจเข้าด้วยสามารถความเป็นผู้รู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกเป็นเจดสิกทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตเป็นจิตตสังขาร ุคเมื่อระ ง, งบคือดับสงบจิตตสังขารเหล่านั้นชื่อว่าย่อมศึกษาเวทนาด้วยสามารถเป็นผู้รังงับจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัชนายานเวทนาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคล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 ภาวนาสีชื่อว่าภาวนาด้วยอาจว่าเป็นที่ซ่องแสบชื่อว่าศิลวิสุทธิด้วยอาจว่าเป็นผู้ระ ง, งับจิตตาสังขารสำรวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความนี่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสา ม, มารถความเป็นผู้ระ ง, งับจิตตาสังขารหายใจเข้าหายใจออก บุคคลเมื่อรู้ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงประเพณนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแต่งตลอดทมอันเป็นประโยชน์คือความสงบอนุปัฒนายาน8อุปัฏฐานานุสติ8จุดตันติกาวัตถุในการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาสจบภานวาน